มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องสุดท้ายของเราในค่ําคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณคิงสวัสดีครับพี่แจ๊อ่านะฮะคุณคิงน ะ, ะช่วงนี้เป็นไงฮะสุขภาพร่างกายสบายดีนะก็มีเียบเพีบ้างเพราะว่าทําตากฝนพี่โอ้ช่วงนี้ฝนตกหนักระวังนลคุณคิงแล้วคุณ King, คิงต้องปั้นของทำเสาลงศาราช่วงนี้ด้วยอ่ะปากฝนระวังสุขภาพมา ครับอมครับนะครับเดี๋ยวจะไอมันผมนะครับอ่าตอนนี้โทรมาจากที่ไหนฮะสะแก้วที่เดิมเนาะะครับพี่นะะแล้วตอนนี้ฝนตกไหมฮสะสากลเพิ่งหยุดไปเลยครับเพิ่งหยุดไปเนะาะอ่าว่าถึงเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่คุณคิงได้รับการถ่ายทอดมาอีกทอดหนึง่งครับ <c oughs> จากสายเออจากเรื่องของของใครฮะอันนี้ อคุณกันนะครุณกันคุ ณ, คณคลอยฟังอ๋อนะครับเรื่องของตึกตึกหนึ่งที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครครับแน่นอนว่าชื่อของตึกนี้เราจะไม่พูดถึงแล้วก็ไม่ระบุสถานที่นะครับครับนะฮะตึกเก่าตึกใหม่ที่ว่านี้ไปยังไงครับคุณคิงคือจะต้องบอกว่ามันไม่ใช่ตึกที่ที่มีชื่อเสียงอะไรมากนะครับแต่ว่า ก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องนี้ผมพูดก่อนว่ามันเป็นความเชื่อนะครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของศาสนาแต่ว่าบังเอิญเกิดขึ้นในโรงเรียนสอนศาสนาครับเพราะว่าคุณกันที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็คนนับถืออิสลามทานันทีว่าเราก็มีการคุยกันแล้วก็มีการเหมือนกับว่าน้องเขาเขบอกว่าเขาเนี่ยศึกษาเหมือนกันทาง ของธนาเราเขาก็รู้สึกว่าดีน ะ, ะเขายังชอบสมเด็จผู้ชายการตอะไรอย่างเง้เขาก็พูดให้ฟังแล้วเราก็ฟังก็อะไรอย่างงี้ยแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องในโรงเรียนเขามันก็มีอยู่แล้วมันก็เกิดขึ้นใจกลรุงเทพเดี๋ยวจะโซนไหนเนี่ยผมจะไม่พูดแล้วกันเนาะได้ครับทีท น, นี้ว่าเขาบอกว่าก่อนอื่นถามคําแรกเลยว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยที่มีตึกของโรงเรียนประจํา ส่วนใหญ่แล้วนักเรียนหญิงจะได้อยู่ในโรงเรียนถูเบทอปิเซ็ตใช่ฮะส่วนมากจะเป็นอ่านักเรียนหญิงนอนข้างในโรงเรียนครับอืนักเรียนชายก็หอเลกอหูองนอกตามสบายเลยเต็มที่แต่โรงเรียนนี้แปลกอเอาหอชายไว้ข้างในโรงเรียนออืแล้วหอพักหญิงให้อยู่ข้างนอกแปลกแปลกนะแปลกแปลกแปลกเอออ่าเขาให้เหตุผลว่าอย่างนี้ฮะ น่าจะเป็นว่าเขาเขาบอกว่าเขาไม่รู้เหตุผลที่แน่นอนนะแต่น่าจะเป็นว่าเด็กผู้ชายเนี่ยคือค่อนข้างที่จะดื้อแล้วก็จะมีอภาวะความเกเรสูงเลยต้องการการควบคุมสูงหน่อยสําหรับเด็กผู้หญิงก็คืออยู่กันแบบเรียบเรียกง่ายๆ ส, สบายอืมก็เลยอยู่ห อ, อกอ่าเกามีสิทธิ์เป็นไปได้ครับอืแต่สําหรับคําว่าหอหนอกเนี่ยโอเคเขาก็มีลิมิตอ่ะมีลิมิตให้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรครับ อ่าห้ามออกเกิดเวลาไหนแล้วห้ามเข้าเกินเวลาไหนอืมอันนี้ก็จะเป็นกฎของเรียนเขาแต่ว่าในการที่เขาจะเอาตึกมาทําเป็นหอหน้าหรือเป็นหอหญิงเนี่ย <That. S 2> เขาไม่ได้ว่าสร้างขึ้นมานะครับเขาทําการซ้งจากอพาร์ตเมนต์เก่าที่แบบว่าเคยเป็นที่ที่เช่าของคนทุกคนทั่วไปอ่ะใครก็แล้วแต่สถานะไหนอะไรก็อยู่ได้อย่างเงี้ยเอามาเป็นตึกหอพักของนักเรียนโรงเรียนนี้ ครับแล้ะทางฝั่งความมือไปเนี่ยก็จะมีอ่าไม่แน่ใจเขาเรียกกุโบหรือเปล่าที่เป็นป่าช้าของของเ้าอะไรครับใช่ฮะเขาจะเรียกว่ากูโบครับค่ะันนี้ว่าตึกเก่ากับตึกใหม่เนี่ยความหมายที่ว่านี่คือไม่ใช่หมายความว่าตึกนี้จะต้องใหม่กว่าตึกเก่าอะไรไม่ใช่นะเพียแต่คําว่าตึกเก่าคือซื้อมาก่อนซื้อมาเป็นของเรียนก่อนอื แต่สภาพมันตั้งสองตึกเนี่ยมันพอกันเลยแล้วซื้อตึกใหม่เนี่ยมาที่หลังสภาพก็พ อ, พอกันแต่ความแปลกมันอยู่ตรงนี้ครับพี่แจ๊ดตึกใหม่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่อยู่เต็มแต่ตึกเก่าเนี่ยเหตุที่เขาต้องซื้อตึกใหม่มาเพราะตึกเก่าเนี่ยเขาให้ใช้อย่างจำกัดคือหนึ่งสองและชั้นสามกับชั้นสี่มีคำสั่งจากทางเรียนว่าห้ามขึ้นไป ไม่ว่าจะเหตุผลประการใดทั้งนั้นเนาคือให้อยู่แค่ชั้นหนึ่งและชั้นสองครับชั้นสาชั้นสี่ที่ว่ามีการติดป้ายเลยว่าถ้าเกิดว่ามีเด็กนักเรียนคนไหนที่ล่วงล้ำขึ้นไปชั้นสามกับชั้นสี่จะมีทันบนเลยครั้งแรกและไล่ออกเนครั้งต่อไปือขนาดนั้นเลยเนี่ยฮะกับอือเขาก็เลยว่าคือสำหรับตัว น้องเขาเนี่ยเขาเชื่อว่ามันต้องมีคนเคยลองหรือเคยทําอะไรอยแบบนี้มาก่อนแล้วที่ถึงร่นเขาเนี่ยอืมแต่ไม่เคยมีใครได้ยินอะไรครับ <c oughs> ก็เลยมาถึงรุ่นของน้องเขาแล้วน้องเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนเท่าที่ผมคุยอัธยาศายอน้องเขาจะเป็นคนนิ่งเยอืะคือเหมือนคนที่ไม่ได้กลัวอะไรเลยนิ่งๆและอย่างถ้าจะเป็นพูดถึงเรื่องของธนะเนี่ยของเขาเนี่ยจะค่อนข้างให้ดูอย่างเราเนี่ยโอเคอย่างเราพูด เราจะมีความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณอเขาเนี่ยกมีความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณแต่ว่าเขาจะไปในทางของเหตุและผลที่จะพยายามที่จะไม่กลัวอืมและคำความเข้าใจอย่างเราจะมีความกลัวกันอยู่เพราะว่าพอเขาจเจาผีวิญญาณกลุว่วาคือพูดง่ายว่าเขาจะไม่กลัวน้องเขาจะไม่กลัวน<ถ>้อ<ล>งเขาคนนี้ไม่กลัวแล้วท่นี้ไอการที่มันจะเกิดเหตุการณ์ตอนนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะทําแหละแต่เห็นว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรอืมคือมีอยู่วันกลางวันเนี่ยเขาเขา ร้อนอากาศร้อนเขาก็เลยเดินเล่นไปพอเดินเล่นออกจากห้องของเขาเนี่ยซึ่งเขาอยู่ชั้นสองพอเดินมาถึงทางเดินเนี่ยจะลงไปข้างล่างตัดสินใจเดินขึ้นชั้นสาแบบประมาณว่ากูขแวบตื่นรถมนรถมินอพออะไรอย่างเงี้ยเดินขึ้นไปแล้วมันกระวันอยู่เดินขึ้นไปไปไปไปไปไ ป, ไปแล้วก็เดินลงมาเขาบอกว่าอย่างนี้พี่แจ๊คพี่แจ๊คเนื่องจาอพาร์ตเมนต์ถูกอ่านหรือว่าอาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์ออกนะครับมันจะมีประตูหน้าในห้องตอนหนึ่งห้องนะออื เข้าไปหนึ่งห้องอยจงมีประตูหน้าแลา้วก็จะต้องมีประตูข้างหลังซึ่งออกไปนอกคอนดเบียร์ข้างหลังแล้วก็จะมีห้องน้ําอือแล้วมันก็ต้องมีบันเก็ตเป็นหน้าต่างเป็นปกติสไตล์ของอพาร์ตเมนต์ห้องเช่าทั่วไปแล้วเขาซื้ออพาร์ตเมนต์มาทำมันก็เป็นอย่างนั้นแหะต่เป็นอย่างนั้นทุกห้องและทุกห้องเนี่ยปิดประตูปิดหน้าต่างอะไรหมดแต่รองเขาก็เดินเราก็เปิดดูไงเพาะว่ามันเป็นยังไงว่าห้องนี้อ๋ออันนี้เปิดไฟโอ้เราก็ยังมีไฟอยู่แต่แปลกทําไม่แม่คนขึ้นมาอยู่กัแต่แค่ชั้นสามนะ เขาก็รู้สึของน้งเขาบอกว่ามันเย็นมากมทั้งๆ ท, ที่ชั้นสองที่เขาอยู่เนี่ยมันร้อนครับมันเป็นหน้าร้อนแล้วมันร้อนมากจริงๆ อ, อ่ะออืเขาก็เียกว่าชั้นสามทำไมมันเย็นจังวะแล้วมันเย็นเหมือนเย็นสะกดเขาใช้คเนี้ยแนะครับคือตัวประตูเข้าไปแล้วมันเย็นวุ้ ก, กระทบอยู่หลังมาออืโดยที่ประตูหลังก็ไม่ได้เปิดแล้วเป็นอย่างนี้ทุกห้องครับหน้าต่างก็บัิเกต ก, ก็ปิดทุกบานไม่มีตรงไหนที่รูหลมจะเข้าได้อะ่ะออื หรือมันจะยินเพราะว่ามันไม่เคยมีการใช้งานไม่มีไอร้อนจากตัวมนุษย์อะไรก็แต่น้องเขาจิตไปแล้วก็ลงมาไม่มีอะไรเรื่องก็ผ่านไปอสักระยะหนึง่ง ม, มีอยู่วันหนึ่งพอถึงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเด็กจะมีกลับบ้านบ้างแต่สําหรับตัวน้องเขาเนี่ยไม่กลับแล้วก็อยู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งในห้องเพราะว่าหนึ่งห้องจะอยู่สี่คนเขาให้อยู่อย่างนี้นะฮะหนึ่งห้องอยู่สี่คนเขาก็เหลือกับเพื่อนอีกคนนึ่งที่เป็นแบนดดี้ในห้องเดียวกันเนะี่ย ก็นั่งเล่นมันอยู่ตอนกลางคืนแหละนั่งไปนั่งมานั่งไปนั่งมาน้องของษ์ก็พูดขึ้นมาว่าบ้านในห้องเรามันร้อนจังไปเดินเล่นกันไหมเพื<ฆ>่อนเขาก็ทำจะไปเดินที่ไหนอืเ<ฆ>นี่ยชั้นบนเนี่ยเขาบอกเฮ้ยจะดีเหรอดีที่ชั้นบนนี่เลยเพือ่อเขาบอกว่า ไ, ไปได้หรอกใ<ฆ>ครจะกล้าไปเดินน่ะเขาก็บอกไม่มีอะไรนะอืม<ฆ>คือเคยขึ้นไปเดินมาแล้วขนาดกลางวันและเย็นด้วยเพื่อนเขาก็อก๋<ฆ>า พึ่งไปเดินมาแล้วะืูเพื่อนเขาก็เพู้เขาเออไม่มีอะไรขึไปเดินปกติเลยตประตูก็เย็นสบายขนาดลมไม่เข้าด้วยแต่เย็นว่ะไปเพราะเนี่ยเพื่อนเขาบอกไม่ไปอเอาไม่ไปไม่เป็นไรไม่ไปไปคนเดียวก็ได้อืเขาก็เดินออกไปขึ้นไปคือความที่คนเราเคยมาแล้วอะแล้วคําว่าพันเมตรแล้วมันอยู่ข้างนอกพี่แจ็คมันก็จะมีไฟจากตึกอื่นจากอะไรมาอย่างเงี้ยอื ม, มันไม่ได้มืดจนน่ากลัวอะไรขนาดนั้นแต่มันก็จํะมัวคือมันตึกที่ไม่เปิดไฟอ่นะชั้นทีไม่เปิดไฟ เขาก็เดินขึ้นไปพอค้นมันใจขึ้นมาปั๊บเลี้ยวขวาหักเลี้ยวขวาไปถึงหน้าประตูห้องแรกไอประตูห้องท้ายสุดที่มันอยู่ในความมืดมันปิดเต็มเต็มเขาก็ยืนตัวตรงแน่วเลยนะ่ะแล้วลมัน ก, ก็ไล่ปั้นเอกรู้แล้วรูแ้ลแล้วอย่างนี้ไม่เอาแล้วเขาเลยสัญญาเดินถอยลงล้มสงสัยว่าอันนี้หรือเปล่าวะที่เขาห้ามไม่ให้นคนขึ้นออืแ ต, นนๆๆแต่รู้แล้วว่ามันน่ากลัวเขาก็เเดินลงมาแต่ก็ก็ไม่พูดอะไรนะ เขาไมเพื่ออะไรท่านี้ก็ยังเก็บเก็บเรื่องนี้ไว้จนถึงตอนเชา้าตีสี่เขาต้องละหมาดกันใช่ไหมครับเขาก็ละหมาดจะทําอะไรกันเงี้ยแล้วก็มาดนคุยกันยืนอะไรหน้าตึกอันนี้เขาก็มองขึ้นไปข้างบนดาดฟ้าซึ่งมีการบอกเราว่ามันมีการติดป้ายว่ทําเรียนว่าห้ามขึ้นออืเขาก็มองเหมือนคนคุยเข้าไปคุยแล้วก็มองลบมองอะไรแล้วเห็นลอยบนดาดฟ้าช่วงตีสี่เนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่ ง, งยืนอยู่รู้ว่าเป็นผู้หญิงเลยออ ยาวยือยู่บนดาดฟ้ายินเหมือนเอามือเท้าขอบแล้วก็มมามองคนที่กําลังทำอะไรอยู่ล่างเนี่ยอ อ, อ, อ, ออืเขาก็เห็นเพราะเขาก้มแล้าว่าพอใจเขาเริ่มไม่ดีว่าเฮ้ยไหนบอกว่าห้ามให้คนขึ้นไป บ, บนดาดฟ้าที่ํากันเน่ะเขาบอกว่าดาดฟ้าะระลอกเพราะเขาเขาชั้นสามก็ติดติดปลายว่าห้ามขึ้นแต่ดาดฟ้าเนี่ยเขาพูดไปให้แสบเลยว่าล็อกออืแล้วมันมีคนขึ้นไปได้ยังไงเขาก็้มหน้ามาแล้วก็พิจ็คดูภาพนะ เห็นขึ้นไปเห็นแล้วก้มลงมาทันทีแล้วบอกกับเพื่อนที่นั่งอยู่่ะมันรยาะให้กี่วีเองว่าเฮ้ยผู้เห็นผู้หญิงอยู่ข้างบนดาดฟ้าว่ะมึงเห็นขึ้นไปดูได้มึงเห็นเหมือนกูไหยแล้วทุกคนก็เห็นขึ้นมาดูเหมือนกันปรากฏจากด่านฟ้าลงมาอยู่ชั้นสี่แหละจากผู้หญิงที่ยืนอยู่ดาดฟ้าลงมาอยู่ที่ชั้นสี่ใช่ครับออ้อหมันแค่วัเดียวและที่เขาก้มลงมาบอกเพื่อนแล้วก็เง็นขึ้นไปมองออเขาว่าเพื่อนเราก็เห็นเลยแต่น่าจะพยายามทําเป็นไม่เห็นกัน นิ่งไว้แล้วเขาก็เห็นที่กูเห็นไหมมีเพื่อนอีกคนหนึ่งสนิทกันอยู่กลุ่มเดียวกันเหมือนกันแต่อยู่คนละตึกเขาก็เดินมาแล้วยิงไงพอเดินตามกลุ่มนี้มาเขาพูดว่ามึงพูดอะไรกันวะเมื่อนะอะไรผู้หญิงผู้หญิงแล้วไม่เห็นเมียไร้สาระอืมผีไม่มีในโลกอย่าไปเชื่อเรื่องไร้สาระพูดี่กลัวอะไรพว่งพูดกันเห็นเห็นเห็นแล้ยประธานไม่มีนะก็วันนั้นเกาไม่มีอะไรนะทั้งวันไม่มีอะไรเขาต เช้าอีกวันหนึ่งน่าจะเป็นเหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นวันอาทิตย์จากวันเสาร์แล้วเป็นวันอาทิตย์แล้ววันจันทร์ต้องไปโรงเรียนเขาก็จะรวมกลุ่มกันประจำว่าเดี๋ยวเดินเข้าไปในโรงเรียนพร้อมๆกันทั้งนี้เพื่อนันนี้ก็ไม่มาเขาขึ้นไปดูว่ามันเป็นอะไรวะเพื่อนคนนี้อยู่ตึกใหม่ชั้นสี่ชั้นบนสุดเลยนะครับแล้วเดินไปดูว่ามันเป็นอะไรวะไม่ออกมาสักทีปรากฏว่าเป็นไข้ไข้หนักเลยพี่แจ๊คแล้วเขาบอกเนอนไม่ได้ทั้งคืนเลยค เหมืนมีคนมาทักเหมือนมีอะไรเงี้ย hmm. เขาก็อืมก็นี่นะผมก็ว่าแล้วล่ะมึงปากไม่ดีอะไรเงี้ย <Okay. S 2> อาอไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปบอกอาจารย์ให้แล้วอเออบอกให้กูด้วยเออเดี๋ยวประมาณค่ำๆอ่ะเดี๋ยวผูมาเยี่ยม hmm. เออเออเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อ, เ อ, อทาไม่ต้อง้่ำเพราะว่ากว่าเขาจะเลิกเรียน <Okay. S 2> กว่าจะทํากิจกว่าทำไรเสร็จเนนะี่ยมันก็จะประมาณทุ่มสองทุ่มไง <Okay. S 2> เขา ก, ากาล่าวอะไรประมาณนั้นกว่าจะอําน้าน้ำผ้าทำงานหัวใจทาอะไรเสร็จแล้วก็ถึงจะมาหาเพื่อนได้ออื hmm. ก็ปรากฏว่าตอนเริ่มเรียนกลับมาจะบเพื่อนที่อาการหนักๆนะพี่แจ็คเขาก็ทําอะไรเสร็จแล้วรวมตัวกันไปที่ห้องเพื่อนเนี่ยปรากฏว่าประตูเนี่ยไม่ได้ล็อกอืมเปิดเข้าไปเลยไฟในห้องเปิดอยู่ครับไฟห้องแล้วเปิดอยู่ทุกอย่างเหมือนมีคนอยู่ในห้องแต่ไม่มีแกเขาก็เดินเข้าไปดูเอ้าไหนว่าไม่สบายไงวะไม่เป็นไรขอกมามันสองทูบแล้วด้วยเนี่ย คือมันเด็กแล้วไงที่เด็กมันอยู่หอเนี่ยจะออกไปไหนเมื่อไหร่เนี่ยนอกจะอยู่กันแค่ในตึกหรอกสองตึกเนี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่มันจะไปหาอะไรกินหรือเปล่าหรือมันจะไปหาเพื่อนที่ไหนวะออืก็เดินเข้าไปดูในห้องเข้าไปเปิดในห้องน้งนําชะ ง, งกดูเดินเปิดออกไปประตูระเบียงข้างนอกกลับเข้ามาคุยกัน เ, นเดี๋ยวเดินหามันนี้ก็หาจากชั้นสี่ไล่ลงมาทุกห้องเลยจนมาถึงชั้นหนึ่งแต่มันเปนการหาลวกๆกับรอบแรกไม่ตัดสินใจเอาใหม่จากชั้นหนึ่งไล่ขึ้นไปชั้นสี่เฮยมันไปไหนของมันวะเนี่ยหาหาหา ก็ประมาณสามสี่คนนะนะสามสี่คนช่วยกันหารวมกลุ่มกันเดินเดินกันก็หนึ่งชั้นเนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีเพราะว่าแวะทุกห้องยี่สินาทียิกว่านาทีประมาณก็เกือบครึ่งชั่วโมงเนะี่ยแล้วพิจารคิดว่าหนึ่งสองสามสี่ขึ้นไปเนี่ยมันใช้เวลากี่นาทีประมาณชั่วโมงกว่าน่าจะเป็นสองชั่วโมงได้นะพี่เพราะว่าเริ่มจากที่เขาเดินเขางวนไล่ลงมาก่อ น, นอ่าโอเคอสองชั่วโมงอืมอืมอืม และตอนนี้เขาก็เห็นแล้วว่าตึกนี้ทั้งตึกไม่มีแล้วเพื่อนอยู่ไปด mm. ูที่ห้องเดิมก็ไม่มีอีกหรือมันจะอยู่ตึกเก่าวะ mm. ก็ไปไล่ดูคือไอ้เรื่องคิดว่าออกไปข้างนอกไม่มีทางเพราะมันเกินเวลาแล้วมันไม่อยู่ในกฎแล้วเพื่อนเขาก็รู้ดีว่าเขาไปไหนก็ต้องไปกับเพื่อน mm. เขาไปหาที่ตึกเก่าชั้นหนึ่งชั้นสองไล่ทั้งหมดไม่มีน้องคนนี้ กันเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาคิดทันทีถึงชั้นสามกับชั้นสี่เพราะเพื่อนเขาเพิ่งพูดลบหลู่อะไรไว้เขาเลยบอกว่ากูจะขึ้นไปหาที่ชั้นสามกับชั้นสี่แล้วก็ดับฟ้าวะ่ะเพื่อนทุกคนไม่ได้แค่มาสี่ห้าคนไส่หัวมาเลยบอกไม่เอาไม่เอาอแต่เขารู้ว่าผู้ใหญ่รู้ว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าผมว่าอารมณ์นั้นนะคือหนึ่งกลัวก็กลัวสองคืออาจจะกลัวกดด้วยกดที่ถ้าสมมุติว่าผู้ใหญ่รู้คุณครูรู้อาจารย์รู้โดนไล่ออก โดนภากใช่ครับอ๋อๆกเ็เลยว่าแต่ว่าเพื่อนน่ะคาว่าเพื่อนมันสองคันเนี้ยอ๋อๆๆแล้วเขาก็รู้ต้นสายไปเหตุว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าเพื่อนเขาเพิ่งพูดลบหลู่เรื่องเมาาื่อวันเรื่องที่เขาพูดไปเนี่เมื่อวานเองแล้ววันนี้ก็ป่วยแล้วตอนชา้ากาป่วยเหมือนมีคนมานอนมาทับมานั่งบนหนอกอะไรเงี้ยอืมเขาก็เลยว่ากูจะขึ้นไปดูถ้าใครไม่รักเพื่อนก็ไม่เป็นไรแต่กูจะไปถ้าไม่กิดจะไปกูจะไปคนเดียวอือพอเขาเดินเราไปเนี่ยเพื่อนที่เหลือก็ ตามอย่างเสียไม่ได้เงี้ยเพื่อนก็เลยตามขึ้นไปกันขึ้นไปชั้นสามเนี่ยนึกว่าจะเจอเหตุการณ์แบบเดิมไม่มีอะไรหนะแต่กค่อยเดินดูไปทีละห้องเลยค่อยๆเปิดอื เ, อเปิดแล้วก็ดูไปทีละห้องไม่มีอะไรอืจนวนไปถึงชั้นสี่ชั้นสเนี่ยเขาขึ้นไปถึงเขบอกภาพแรกที่เห็นคือถิ่กับสแตนเลยนะมันเป็นซานกล็อก กองละประมาณสี่้าตัวเป็นสิบ0ีบยี่สิบกองเรียงกันแบบตรงแนวเลยตั้งแต่ห้องแรกไปถึงห้องสุดท้ายเอ้ยตรงทางเดิน่ะหรอใช่ครับตรงทางเดินหน้าห้องอมี<อ>ทุกห้องอตั้งแต่ห้องแรกไปถึงห้องสุดท้ายเลยโอ้โอ้ออแล้วเขาบอกเขาดูยืนมองสร้างนกนั่นผักใหญ่เลยด้วยความที่สันน่ะครับ มันไม่ใช่อาการกัดกินของสัตว์เพราะสัตว์ถ้ามันเอามาไดา้มันต้องกัดต้องกินต้องแหวงแต่นี่มันเหมือนอาการของคนโรคจิตเอานกมาผ่าท้องเราไส้ออกไร่เฉยอุ้น่ากลัวจังเลยอ่ะโ อ, อ้ออแล้วเอามาวางกองกันไว้อ่ออกองหนึ่งสี่ตัวห้าตัวหรือสิบตัวบ้างเนี่ยครับเป็นสิบจุดยี่ิกองนะพี่แจ๊คตั้งแต่ห้องแรกไปถึงห้องสุดท้ายแล้วเรียงกันฟังแล้วด้วยเป็นแถวเลยอืมเขาบอกมันไม่ใช่อัการที่สัตว์จะทําแน่นอนครับก็เริ่มมองหน้ากันแล้วว่าเอายังไงต่อไปว่า แต่มาแล้วนี่อืยิ่งมียิ่ ง, ยงอยากรู้เลยว่าคืออะไ ร, รก็เดินเดินพยายามเดินอย่างขยิงข่งอ่ะค่ำๆไม่ให้เหยียบปากนกคนนั้นะแต่กองคือมันเหมือนมีของใหม่เพิ่มมาทุกกลองเลยโอ้โหยิ่งเดินเข้าไปแบบห้องที่หนึ่งผ่านไฟก็มองทราบไปด้วยนะและ้วก็มองในห้องไปด้วยอห้องที่สองผ่านไปมองทราบไปด้วยห้องที่สามผ่านไปมองทราบไปด้วยชั้นหนึ่งน่าจะมีประมาณสิบห้องเก่าโดยประมาณนะครับสี่ ห่าขึ้นทางแล้วก็ขึ้นทางปุ๊บประตูห้องอีกท้ายท้ายสุดในความมืดมันดังเ อ, เอแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินลงมาช้าๆ้านะครับเดินลงมาตรงตรงพี่แดกอมองไปที่นอกระเบียงไม่ได้มองพวกเขาและค่อยค่อยเงยขึ้นมองข้างบนเพดานไม่รู้มองอะไระสภาพเข า, ากตกกระปก ดูรู้เลยเป็นคนที่ผมยุ่งเหยิงเหมือนเป็นสา่งกระตังเหมือนอะไรเงีเยง้ยแล้วก็ภาพคือเหมือนกับคนที่แบบไม่อับน้ํามาเลยอ่ะโอ้ยน่ากลัวอา่อาอาอา่าอและค่อยๆหันมาทางพวกเขาแต่ยังไม่มองเขานะครับยังเห็นหน้ามองเพดานอยู่อไม่รู้มองอะไระแล้วค่อยๆสาวขทาว้ทาก้าวเข้ามาหาพวกเขาเรื่อยอๆเหมือนกระชาเขาก็เลยคือเดินตรงมาหาพวกเขาแบบที่หน้ายังเห็นมองเพดานอยู่โอ้ยเออหนึ่ภาพออกนะเดินตรงเขาแบบเฮ้ย แล้วมันมืดด้วยก็ไม่รู้ว่าเพื่อนตัวเองห <Ừ. S 2> รือว่าใครจะดูแล้วมัน ป, ป, ป, ป, ป, ป, ป, ปกปอกเลยเกินว่าค่อยๆทําท่าจะเดินเข้าไปหาก่อนในตอนแรกคือ อ, อยากรู้ว่าเป็นใครแล้วก็เห็นอยู่ว่าเป็นคนแล้วเรามาตั้งหลายคนเนละคือเขาคิดตั้มารู้ว่าถ้ายึดยักษ์มันกลุมตบแล้วเฮอถ้าเป็นคนเลยนะออืเขาก้าวเข้าไปหาช้าๆไอ้ทั้งนั้นก็เดินเข้ามาช้าพอห่างกันสักประมาณไม่กี่ก้าวเริ่มเห็นหน้าชาดเพราว่าไม่ใช่เพื่อนตัวเองแล้ะน่ากลัวมากออืเพราะว่าตาเลึกยือสิปากดําปิดเลย ผู้หญิงคนนั้นหยุดพวกเขาก็เลยหยุดแล้วค่อยข้าก้มหน้าลงมามองหน้าพวกเขาผาลึกมากแล้วพูดคําว่าเขาบอกแล้วไม่ใช่หรอผู้ไม่ให้ผู้มึงขึ้นมาบนนี้อบอกแล้วใช่ไหมไม่ให้พู้มึงขึ้นมาบนนี้แล้วเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าผู้ใจรักอ่ะหลังเลยไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วเริ่มวิ่งเสียงเรมหมดคนวิ่งตามแล้วตะคอกใส่หลังคอเขามาว่า วิ่งออกไปเลยแล้วก็ไานงคุยกันมันคืออะไรวะมันคืออะไรวะถ้ามันมีคนอยู่เป็นคนบ้าเชื่อว่ายังไงซะมันต้องมีคนเห็นออแล้วถ้าคนบ้าหรือคนอะไรจะไปอยู่หรือจะแใครจะแอบเลี้ยงอะไรไว้อย่างเงี้ยแอบเลี้ยงคนเลยมันต้องมีคนเดินขึ้นไปเอาของกินเอาอะไรไปให้ดิคนเรามันอยู่ได้ไงไม่มีอะไรกินน่ะทุกแต่นี่เขาอยู่มาตั้งนานอืไม่เคยมีใครเห็นใครเดินขึ้นไปแล้วไม่เคยมีใครลงแล้วไม่เคยรู้เลยว่ามีใครอยู่ข้างบนนั้น จนวันที่น้องเขาเริ่มเดินขึ้นไปชั้นสามนั่นแหละจึงทําให้เริ่มสัมผัสกับเรื่องพวกนี้ตลอดมาออเก็บความสงสัยเอาไว้แล้วไม่มีใครกล้าพูดแม้แต่คนเดียวแม้แต่เพื่อนใครถ้าไม่สนิทกันจริงเขาอยู่นอกกลุ่มก็ไม่เล่าพูดไม่ได้ไงพูดไม่กล้เพราะว่าเรื่องนี้ยรู้ถึงหูครูอาจารย์โดนพากันโดนไล่ออกแน่นอนหูกดดันมากนะใช่ครับต้องอยู่อย่างนั้นเลยทั้งที่กลัวทั้งที่ระแวงครับแล้วก็เช้าวันต่อมาไปเจอเพื่อน พี่แก็คร้ไหมเพื่อนเขาถามมาเลยเมื่อคืนพวกมึงเป็นไรกันกูเห็นเจอวนรอบเตียงกูเล ย, ยกูบอกกูอยู่นี่มึงก็เดินเรียกกูอยู่นั่นแหละเพื่อนนอนอยู่บนเตียงแล้วคนกลุ่มนี้ไม่เห็นเหรอฮะไม่เห็นครับล<ะ>แล้วสองรอบด้วยออจนต้องนำท้ายพวกเขาเดินขึ้นไปบนตึกนั้นกันครับเขาบอกกูเนี่ยนอนตะโกนเรียกไม่มีแรงจะลุกอยู่แล้วในตอนนี้กูยังเป็นไข้ยอยู่เลยนะกูะเป็นอะไรว่าเดินเรียกกันเนี่ยเรียกแล้วก็ไม่ยอม กูบอกูจูนนี่กูจูนเสียงกูไม่มีกูไม่มีก็เดินวนกันอยู่นั่นแหละเหมือนมึงแกล้งเอี่ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังเพราะว่าเพื่อนคนเนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่สนิทกันเหมือนกันออเล่าให้ฟังเพื่อนว่าบอกกูก็เริ่มเชื่อแล้วเพกูก็หมือนกูโดนคนนั่งทักกูทั้งคืนเลยว่ะกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะคือถ้าเป็นเราอ่ะเราพูดอะเราก็บอกว่าไปขอขมาซะแต่ทางของเขาก็ยังไม่รู้จะทํำยังไงเลยตอนนั้นและก็เป็นเด็กด้วยครับบอกกับใครก็ไม่ได้บอกเขาออกแน่นอนอ พอเรื่องนี้มันใหญ่โตแลนะ้วมันไม่ใช่กระทงคนเดียวแนละ้วมันเป็นเแรบบืขึ้นไปทั้งแก๊งเลยอนะ่ะอืมเขาก็อืเก็บความรสงสัยไปแต่จนในจุด ว, วันที่จบมสามเขาจะออกจากหอนี้แหลพ อ, 4, 5, 5, 6, อมสี่มห้ามหกสามารถไปกลับได้ไนงะมสามวันเนี้ยคืนสุดท้ายที่อยู่ที่เนี่มมีการนั่งคุยกันเล่นกันกับเพื่อนกันเนะออเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องแยกย้ายกันแล้วนะแต่เราก็มาเรียนด้วยกันต่อนะอะไเงี้ยออกไปออกมารองคนนี้ก็บอก มึงจำเรื่องที่เราเจอเมื่อนานมาแล้วได้ไหมพูดถึงเรื่อง น, นี้ขึ้นมาครับตอนเนี้ยทางโรงเรียนนะ่ะให้คนมาซ่อมดาดฟ้าอืแต่ตอนที่ให้คนมาซ่อมดาดฟ้าเขาออกกฎกับคนที่มาซ่อมว่าห้ามเข้าไปยุ่งกับชั้นสามและชั้นสี่ถ้ารู้ว่าช่างคนไหนเข้าไปในชั้นสามชั้นสี่จะยกเลิกสัญญาจ้างในทันทีอุ้ยเนาะไมมีเหตุผลไหมไม่มีนะไม่มีเออไม่มีเหตุผลนะแต่ก็ทำให้เจะทําให้ช่างเขาเนี่ย ไม่ไม่ไมไมกล้ที่จะเข้าไปว oh. ุ่หวายชั้นสามันสี่เลยครับคือคือคือคุณขึ้นจากชั้นสอไปคุณต้องดิ่งขึ้นดาดฟ้าอย่างเดียวอ๋ออ๋อไปฟ้อมแทงน้ําไปทําอะไรใหม่เพราะว่ามันก็เริ่มเก่าแล้วไงครับ oh. อ่าโอเคเขาก็วันนั้นแหละขเขาเลยบอกตอนเนี้ยช่างไปทําดาดฟ้าเนี่ยรู้แน่ๆแล้วว่าดาดฟ้าไม่หลออกือ oh. ลองดูไหมคิด oh. เนี้ยเดี๋ยวกูไปหาทูบมา oh. ลองทําแบบที่เขาทํากันนะในหนังผีเนี่ยเขาเชิญเนี่ยอ oh. แล้ไปกันหมดนี่แหละเป็นแปดเก้าคนสิบคนเนี่ยไปเยอะๆไม่น่ากลัว <c oughs> เขาก็ตกลงว่าเอาสิไหนๆมันก็จบแล้วนี่ยังไงเขาคงไม่มีแบบถึงกระไรหรอกแล้วล่ะเดี๋ยวมาเราไปต่อบมอสีท <c oughs> ี่อแล้ว่ะก็ลองดูอขึ้นไปด้วยกันเดินดี่งดิงขึ้นไปเลยไปหลายคนนะพี่แจ้งต่อสาวัยรุ่นแล้วก็มีเจ้าวจ้าวกันไ ป, น ไ, ปไม่มีอะไรน่ากลัวลนะหลายคนจัดขึ้นไปถึงด้านฟ้าก็ไปยืนคุยอยู่ สักพักหนึ่งทําอะไรกันไม่ถูกเพรไม่เคยทาอะไรเลยรเรื่องคนนี้น้องเขาก็เลยตัดเด็ดจุดทูบแล้วไม่วงไม่ไหว้เลยลองทําดูจุดทูบแล้วก็ปักหาที่ปักเลยไม่ใช่แปกผิดนะเขาบอกทิศทิศเลยเขาชี้ไปรอบทางเลยชี้ทุกทางแล้วพูดคําว่ามึง คนนั้นแหะที่เคยหลอกพวกกูอ่ะถ้ายังอยู่อ่ะออกมาให้พวกกูเห็นหน่อยอเขาพูดอย่างนี้เลยแต่เขาถือว่าไป็นหลายคนไง<อ>ชี้ทุกคร<อ>ั้งชี้หนึ่งครังง<อ>งค้งก็พูดหนึ่งครั้งชี้หนึ่งครั้งก็พูดหนึ่งครั้งมึงที่เคยทำกับพวกกูไว้ออกให้กูเห็นหนอเอยมึงที่เคยทําับพวกกูไว้ถ้ามีจดวตอนออกมาหน่อยอยู่อย่างเงี้ยรั้งเลยพอสิบครั้งเสร็จทุกคนก็นมาพูว่าไม่มีอะไรเสียงแทงน้ำดังกึกกึกกึกกึ๊กมันอยู่ในความมืนทุกคนเลย อะไวะแาทางน้ำเพิ่งทใหม่เลยอพราะหันไปมองมันมีคนค่อยๆ ค, ค, ค, คานเรามาจะใต้แทงน้ําอ่ะโอ้ยคานคานลงออมาแล้วก็ยืดแล้วก็แข่ยุ่งจุ่งยุ่ ง, ง, งมาเกือบถึงพวกเขา อ, ะอ่ะแล้วก็บอกเรียกกูัวว่าทำมเสียงยังเงี้ย10คนไม่เหลือเลยไปแยกวิ่งอ่ะอ้ยตะโกนยังเงี้ยตำรวจลงมาถึงชัล่างอ่ะครับหน้าเดิมคนเดิมรูปร่างแบบเดิมอ๋อแลมีเสียงวิ่งไล่ลงมาด้วยอ้อ จนพวกเขาเขาไปนั่งอยู่ในห้องกันแล้วทําอะไรไม่ถูกจนเช้าเลยบแบทเสื้อผ้าออกจากติกกันสิ่งที่ตามมาก็คือเพื่อนๆ เ, นเขาค่อยๆป่วยกันมาทีละคนทีละคนทีละคนจนมาถึงตัวเขาน้องเขาบอกว่าเข้าทุกวันเนี้ยถ้าออกจากบ้านถ้าอยู่ในบ้านไม่เป็นไรนหะ เขาว่าอย่างนั so like ้นเลก็เป็นมาจนทุกวันเนี่ยก็ผมก็เลยแนะนําเราคุยกันแล้วก็แนะนําไปว่าต้องทํายังไงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าในในส่วนที่เราแนะนําไปเนี่ยทางเขาจะทําได้ไหมเพราะว่าการปฏิบัติของเขามีข้อข้างที่จะมาทำเหมือนเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแต่ก็อะไก็เลยพูดไปในระดับหนึ่งว่าก็ลองทําดูลองทําดูลองขอเข้ามาดูโอ้โหคุณคิงผมนั่งฟังแล้วนี่เมื่อกี้ผมแทบจะถอดหูฟังทิ้งเลยนะโอ้กดกดดันอ่ะเฮ้ยมันน่ากลัวจริงจริงนะครับ อุ้ยโรงเรียนอะไรมาเนี่ยลันน่าติดเลยเขาขึ้นไปทั้งสามเราดูปิดแล้วแตนผมผมไม่ขึ้นแล้วแต่น้องเขาเริ่มขึ้นมาต่อยเลยแล้วเขาขึ้นไปเจอคาร์ที่มไปเจอซากน้องคนนั้นแล้วโอ้โหเพราะเขาเล่ามาเลยี่แจ็คผมร่างฝังผมคนลุบหมดเลยผมบอเฮ้ยเป็นพี่พี่ถอยแล้วนะเขาบอกก็เราไปกันสามสี่คนไงพี่ก็เลยไม่คิดว่าจะมีอะไรไงแล้วไปห่วงเพื่อนด้วยอย่างเงี้ยผมผมผมรู้สึกเสียดายอยู่อย่างหนึ่งว่า เขาไม่รู้บทสรุปของเรื่องนี้ไงเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยชั้นสามชั้นสี่มันมีอะไรกันแน่คื อ, อน้องเขาบอกว่าเหตุผลที่แน่นอนเลยไม่รู้ตายตัวแต่รู้มาว่าที่ตึกเนี้ยก่อนที่จะมาขายให้กับโรงเรียเนเรียนซื้อมาเนี่ยเคยมีคนท้องที่ตายทั้งกลมอยู่ในตึกนั้นอ๋อเป็นผู้หญิงท้องตายทั้งกลมครับใชออ่อยู่ในอพาร์ตเมนต์เก่า ใช่ครคต่เ ไ, <ด>ไม่รู้เลยว<ม>่าจะใช้คนเดียวกันไหมนะมแต่เขาบอกว่าที่ประวัติได้ยินมามีแค่นั้น<ม>แต่แต่ว่าจะมีอย่างอื่นอีกไหมเนี่ยไม่รู้อืเพราะว่าอย่างที่คุณคิงได้ได้บอกไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับว่าอาคารอาคารที่พักของนักเรียนเนี่ยมันคือตึกใหม่แต่เป็นตึกเก่าจากที่อื่นคือเซ็งมาแล้วก็เอามาทำเป็นดักแปลงเอามารีโนเวทใหม่ให้เป็นที่พักของนักเรียนครับใช่จากอาพาร์ตเมนต์เก่า เออมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ ห, หูแต่แบบเฮ้ยทํำไมทางโรงเรียนไม่ทําอะไรสักอย่างไงไม่ทําพิธีหรือไม่ทําอะไรสักอย่างแต่มาใช้วิธีการออกกฎยิ่งออกกฎอย่างเงี้ยผมว่านะทุกเจเนเรชั่นยิ่งออกอออ ก, กฎยิ่งห้ามต้องมียังไงก็ต้องขึ้นอยากรู้อ่ะเฮ้ยข้างบนมันมีอะไรวะทําไมก็ถึงห้ามวะใ่คิดแต่ว่าเด็กจะไม่ขึ้นผมเป็นผมผมก็อยากขึ้นในสมัยเด็กนะจริงๆ มันเป็นเรื่องปกติอ่ะคือเฮ้ยถ้าใครขึ้นไปที่เนี้ยโดนพ่าคันโดนไล่ออกแสดงว่าข้างบนเนี่ยมันต้องมีอยู่สองอย่างนะครั บ, ค, รบคือมีที่มันดีไปเลยกับที่มันไม่ดีไปเลยแล้วผม ค, คิดว่าเด็กมันไม่อยากรู้เหรอเว้ยโอ้โหน ล, ละนี่ฮะพี่แจ๊ก<อ>น้องเขาเล่าให้ฟังมานะเขาส่งรูปมาให้ผมดูแต่แล้วผมไม่สามารถเปิดเปิดเผยได้ไม่เป็นไรหรือว่าเพื่อนที่แบบ อนนี้กันแหะหดูได้แต่ให้ขึ้นโพสเลยไปได้โหตึกแบบน่ากลัวลมากเลยพี่แจ๊คออขณะเขาถ่ายกลางวันนะอ๋อผมเห็นแล้วบอกนี่กลางวันอย่าเนี้ยเขาบอกหนูไม่ใช้แอปเลยนะพี่อ๋อหมายถึงว่าตึกเนี้ยทุกวันนี้คือยังมีนักเรียนพักอยู่ใช่ครับไว้ <Why? c oughs> แล้วทชัน 3, ท้นสามชั้นสี่ก็ยังคงปิดตายอยู่เหมือนเดิมก็ยังคงปิดอยู่เหมือนเดิมโอ้โหเฮ้ยบ้าบอลของหอยพ่อ โอ้ยิ่งถ้าผมพูดไปตอนนี้ถใครฟังหรือว่าใครเรียนก็จะป่านน้รู้แล้วเนี่ยครับเฮ้ยผมว่าถ้าเป็นนักเรียนหรือว่าศิษย์เก่าที่นี่เคยเรียนที่นี่นะถ้าคุณคิงอธิบายมาขนาดนี้ผมว่ายังไงเขาต้องรู้ครับอ้อยังไงเขาต้องรู้ว่าเฮ้ยมันมีอยู่ตึกหนึ่งที่ห้ามขึ้นชั้นสามชั้นสี่ห้ามไปยุ่งกับดาดฟ้าเด็ดขาดให้อยู่ได้ก็จะเพาะชั้นหนึ่งชั้นสองซึ่งแน่นอนว่าตึกอย่างเงี้ยมันมีที่เดียวในประเทศไทยอย่างแน่นอนโรงเรียนเดียวแน่นอน อ๋อ oh.